ทระหว่ า, างที่ครบรอบเรามาพบกันนะคะวันนี้ช่วงเวลาของรายการสันสนีสมทนาก็ดำเนินมาให้ท่านได้ปฏิบัติ ธ, ธรรมจนถึงเวลาที่จะได้ฟังพุทธวจนะของพระศ า, ศาสดาของเรามาตอบคำถามต่างๆที่จะกราบเรียนถามหรือว่าเป็นการที่พระอาจารย์ได้ยกประเด็นนั้นขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยกับพระภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะ น้ำสกังก์กันท่ะเชิญพรต้องถามคุณโยมตีนิดนึงคับท่านผู้ฟังทั้งหลายดู ว, ยว่าที่บ้านเนี่ยมีนาฬิกาปลุกไหมค่ะนาฬิกาที่บ้านดิฉันไี่ชอบปลุกเวลาจัดรายการแต่ว่าระยะหลังๆนี่นาฬิกาเงียบไปเวลาจัดรายการอาันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตอเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะวันนี้จะพูดถึงเรื่องประเด็นนี้แหละที่ว่าสมมุติว่าเราต้องการตื่นตีห้อย่างเงี้ยมาฟังรายการสารสนิสนทนาอย่างเงี้ยนะเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกสักประมาณตีสี่ห้ ใช่ไหมพ อ, อนาฬิกามันปลุกเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาทีนี้ว่าไอตอนที่มันมันปลุกเนี่ยคือมันเพื่อเตือนเราให้เราไปทําสักหิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบางทีเราง่วนทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะมีคนมาสกิดหลังหลังเราเขาเรียกเราไม่ได้ยินเนี่ยก็มาสกิดไล่เราเาหันไปถึงค่อยเจอเขาเป็นการเตือนการเรียกแต่มาต้องการจะให้คนที่เราเห็นอยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยมองเห็นอย่างนี้ว่า เ, เวลาที่เราจะออกไปช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยพอเราเห็นคนที่เขาได้รับทุกข์ใช่หประสบปัญหาน้าท่วมน้ำพัดพาทรัพย์สินต่างๆไปข้าวปลาไม่มีกินห้องน้ำก็ไม่มีก็เลยไปช่วยกันคือเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเวนะับขอให้เราไปทำความดีนะทำไมเราจะต้องมารอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมเราอย่างตอนที่มีพายุคราดินา่าเข้าที่อเมริกาอย่างเงี้ยหรือสึนามิที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะมีความเสื่อมไปนะมันจะมีอุทกภยัยอย่างนี้เกิดขึ้นนะ <c oughs> มันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคุณเตรียมจิตคุณหรือยัง <c oughs> คุณเตรียมจิตคุณหรือยังในการที่จะเตรียมการป้องกันภัยหรืออย่างน้อยก็จะไม่ทุกตามความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าถ้าผมว่าเราเห็นว่าเอ๊ยส่วนนี้นะเป็นนาฬิกาปลุกที่จะเตือนให้เราทําความดีคุณจะเป็นผู้สบายอยู่ได้ อย่างเนี้ยอย่างปัญหาในบ้านเมืองที่ผ่านมาประมาณช่วงสิปีที่ผ่านมาคุณยมติ๋วที่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มนี้เนี่ยนะเพราะว่าเราเราไม่รู้ใช่ไหมจนกระทั่งว่าเออกลุ่มนี้โดนประสบอุทกภัยอ้าวพวกนั้นเอาไปช่วยพวกนี้บอกโอ้ยไม่รับหรอกของเธอแล้วจนกระทั่งว่าเออเออมันมันแย่มากแล้วฉัชลับก็ได้นะคนที่รับตรงเนี้ย เขามีความกระตกระตันอยู่คือหมายว่ารู้คุณของคนที่เขาเอามาให้ไม่งั้นเขาก็โยนทริงไปแล้วถูกไหมเพรา ะ, ะนั้นตรงเนี้ถามว่าคุณจะมาทําความดีตรงเนี้ยต้องตอนไหนต้องตอนที่คุณได้รับทุกข์มากๆจนกระทั่งเออฉันต้องเลิกสนใจเรื่องที่ว่าจะยึดถือเป็นตัวตนละมาร่วมมือกันดีกว่าค่ะนะอืท่านคระเดี๋ฉันไม่แน่ใจว่าพระพุทธองค์เป็นคนตรัสหรือเปล่าครับประโยคที่เรามักจะเอามาพูดเป็นการแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาเนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่ง ที่แปลว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ใช่ไหมคะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดิฉันชอบมากเลยนะคะคื อ, ค, อคือมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างกรณีที่ท่านกําลังชี้ให้เห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่านี่ไงไม่ว่าเธอจะเชื่อยังไงจะมีความแตกต่างกันแต่ไหนมาก่อนแต่พอมามีความทุกข์เนี่ยสีไหนมันก็ทุกข์เหมือนกันใช่เอาอย่างนี้ที่อาจะมาพูดอยู่มาเสมอเลยนะว่าตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าตายละ เราใกล้ควันตายเข้าไปอีกหนึ่งวันหายใจเข้าหายใจออกเราก็ทุกพอแรงกินข้าว ต, ต้องไปห้องน้ำเราก็รู้ว่าเราทุกพอแรงแล้วนะบางคนไม่เห็นนะว่าอันนี้เป็นเวกับคอทุกๆวินาทีเอาต้องตอนไหนอตอนคุณป่วยหนักๆจนหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งขั้นสี่ <c oughs> รีบทําความดีโอ้ยมันก็พอจะทําได้อยู่หรอกนะแต่ว่ามันจะสายไปคือคือก็ไม่ได้ว่าสายไปหรอกแตนะ่ถ้าผมว่าคุณแล้วทําตั้งหน้าทําความดีนะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณกอบโกยละ เป็นช่วงเวลาที่คุณทําความดีลนะแต่ก่อนหน้านั้นทําไมเราไม่ทําความดีตั้งแต่แรกโอ้โหมันเสียได้เวลานี่มันจะเกิดมาตายฟรีท่านอาจารย์เขาก็เคยได้ยินท่านพูดว่าพรพุทธองค์ตัดไว้อันนี้ดิฉันก็ต้องตรวจสอบอยู่เสมอเลยว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าที่ว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมเนี่ยคะ่ะโอ้แน่นอนแน่นอนอันนี้อันนี้เป็นพุทธวจนะพุะพทธวจนะใช่แล้วทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะท่านคะนี่ก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่า ว่าธรรมชาติมนุษย์มันเป็นแบบนี้ยไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมแล้วท่านจะมาเร่งให้พวกเราเห็นก่อนเห็นทุกข์เห็นเห็นทุกข์อย่างธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ไงอย่างสมมติอาตมาป่วยไงนะป่วยเป็นมีอาการตัวร้อนกินข้าวก็ไม่มีรสชาติปวดหัวด้วยแล้วก็ตัวรุมๆไปทั้งหมดไม่มีแรงแขนขาไม่มีแรงอาตมารู้นะว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นทุกข์นะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จับสันด้วยปรากฏว่าหมอมีหมอคนหนึ่ง เขาก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันแตเขารู้ว่าตัวเขาปวดปวดหัวมีอาการเป็นไข้อะไรต่างๆแต่ความรู้ของหมอกับความรู้ของอาตมาไม่เหมือนกันหมอเขาจะรู้ว่าอ๋อไออาการอย่างเนี้ยมันเป็นชื่ออะไรไวรัสตัวไหนไวรัสตัวนี้กินอาหารอะไรจะแก้มันยังไงแล้วมันเกิดที่ไหนอวัยวะใดเป็นต้นเหตุเขาจะรู้ระบบตรงนี้หมดแต่คนป่วยธรรมดาเนี่ยจะไม่มีความรู้อย่างหมอเพราะฉะนั้นถ้าหมอป่วยหมอก็รู้แล้วหมอก็รู้ด้วยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรแก้ยังไงอะไรเป็นผลของมันสุดท้าย นะแต่คนป่วยธรรมดาจะไม่ทราบจะทราบว่าตัวเองทุกเฉยๆอันนี้ไม่ได้เรียกว่ารู้โรคนะเหมือนกันความรู้ทุก์เนี่ยคนมีความทุกธรรมดาก็รู้สิโอ้ยบ้านฉันเปียกแล้วนะรถฉันถูกพัดพาไปแล้วทรัพย์สินที่เก็บมาทั้งหมดหายไปแล้วทําไมจะไม่รู้แต่เขาไม่รู้แบบที่พระเจ้าต้องการให้เขารู้คือรอบรู้เรื่องทุกไงรู้ว่าเหตุเกิดมันคืออะไรนะความดับไม่เหลือของมันมีไหมเอามีแล้วทำยังไงถึงจะได้ตรงนี้แหละคือเราต้องรู้ตรงนี้ เพราะนั้นพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมก็เห็นแบบนี้แหละเห็นแบบรอบรู้เรื่องทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยถามว่าไอคนที่จะมาเห็นอย่างนี้เนี่ยนะคุณต้องได้รับการระลึกได้ระลึกได้คือหมายว่าเวกับคอเข้ามาตั้งนาฬิกาปลุกกรี๊งขึ้นมาเราฝันอย่างแหมอย่างดีเลยนะไปที่นูน่นที่นี่มาพอนาฬิกาปลุกปึ้งตื่นจากฝันหายหมดเอาไปทํางานต่อเหมือนการชีวิตของเราเนี่ย เราอย่าใช้ชีวิตอยู่ในความฝันไงเราใช้ชีวิตอยู่ในความจริงเห็นตามที่เป็นจริงอฉะนั้นถ้าบอกว่าเนี่ยเจอน้ําท่วมแล้วอ่ะตอนนี้พวกที่เจอน้ําท่วมก็ยังเจอกันอยู่เลยบางคนมันยังไม่แห้งอนะคะที่บอกว่าระลึกได้เนี่ยเดี๋ยวก็ลืมอะคะ่ะก็พวกเจอสึนามินะคะอยู่ทั้งเกาะเล ย, เยอืตอนนี้ดิฉันก็ว่าเขาใช้ชีวิตกันค่อนข้างปกตินะคะอาจจะโปร่งมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดมากมายอะไร พอ เ, เจออะไรมาทําให้เราเพลิดเพลินเฉพาะหน้าบางทีก็ทำมาหากินลืมไป ม, มัวแต่ใส่ใจเรื่องแฟนจะนอกใจหรือเปล่าก็ลืมไปมัวแต่ใส่ใจว่าจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหนจะมีเงินให้ลูกใช้หรือเปล่าก็ลืมไปอย่างเงี้ยท่านคะแล้วที่ว่าระลึกได้มันจะระลึกตอนไหนเหรอคะระลึกได้ตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีเหตุการณ์คือตรงนี้คือสติไงคุณโยมติวสติ ค, คือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้แม่นานได้ นะ่าระลึกได้ว่าโอ้ชีวิตฉันต้องมีการแตกไปสิ้นไปฉันรีบทําความดีวันนี้ไม่ต้องรอให้ประสบอุทกภยัยไม่ต้องรอให้ไฟไหม้ไม่ต้องรอให้เป็นโรคทำเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือคนที่ระลึกได้มีสติไงว่าฉันจะต้องจากไปสักวันหนึ่งทีนี้พอคนมาใกล้ๆแล้วถึงจะพึ่งมาระลึกได้หรือจนกระทั่งทรัพย์สินหายไปแล้วหายไปไกลแล้วด้วยถึงพึ่งจะมานึกออกแล้วค่อยปล่อยวางได้โอ้ยแล้วคุณจะไปทนทุกข์อยู่ทําไมตรงนี้อาจามาจึงต้องบอกว่าสตินี่คือควา ม, มาระลึกได้คือเวกับคอ ทุกวินาทีมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้หยินนกาปลุกที่มันปลุกอยู่เราไม่ได้ยินค่ะทําทอย่างไรจึงจะได้ยินนาฬิกาปลุกอยู่ตลอดเวลา น, นี่ไนะสติไงเราต้องมีสติฝึกไปเรื่อยนะเห็นความไม่เที่ยงคือสติเนี่ยมันเป็นของที่ฝึกได้นะฝึกยังไงคะอาจารยอยู่ที่ปลายจมูกนะ อ, อ, อย่างเวลาที่เราระลึกถึงหน้าสักคนใดคนหนึ่งอย่างนึกถึงแม่นึกถึงพ่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วไอ้การนึกถึงตรงเนี้ย คือสติคือระลึกถึงเข้าใจไอย่างเรานึกถึงชื่อคนหนึ่งคนนี้เขาหน้าตา ย, ยัางงี้เรานึกถึงชื่อเขาได้เพราะความระลึกตรงนี้คือสติแต่สติที่พุทธเจ้ามีเนี่ยคือให้มีสติในอะไรถ้าเราระลึกถึงเห็นต้นโพเราระลึกถึงพุทธเจ้านั่น ค, คุณมีพุทธานุสติละเห็นรูปครูบาอาจารย์เราเลึกถึงความดีของท่านนั่นสังขารนุสติละเราจะฆ่าสัตว์หรือเราจะโกหกอย่างเงี้ยเรานึกถึงว่าเอ้ฉันเป็นคนมีสีนะฉันไม่ทําอันนั้นสีลานุสติละ หรือเราระลึกถึงพ่อแม่เราที่ตายไปแล้วถ้าท่านเหล่านั้น เ, เป็นเป็นเทวดานี่ก็เทวตานุสติละเพราะฉะนั้นสตินี่มันมีอยู่ในทุกโอกาสเลยนะสติตรงนี้สติตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราผ่านพ้นมันเป็นกําลังอันเดียวกันเมื่อเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราจะระลึกถึงความดีแล้วทำทำสิ่งที่ดีได้ สติตรงนี้คุณโยมติ๋วถ้าแปลว่ามันเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันก็จะพลิกผันเป็นความอดทนเจอเพื่อนร่วมงานก็จะพลิกผันเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเจอหัวหน้าก็จะพลิกผันเป็นความซื่อสัตย์การทํางานอย่างเต็มที่เนะเจอผู้ที่ประสบภัยก็ผันเป็นผันเป็นจิตอาสาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเท่ากับท่านกําลังจะบอกว่าถ้าจะให้การระลึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาต้องมาใช้วิธี มีสติอยู่กับลมหายใจฝึกกับลมหายใจยังไงคะใช่นั่นเป็นวิธีหนึ่งได้ค่ะคื อ, ะอเราระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆไอ้ความระลึกถึงตรงนี้เป็นกล้ามเนื้ออันหนึ่งของจิตไงที่พอเมื่อเวลาเกิดปัญหาปุ๊บเฮ้ยเราระลึกได้ว่าฉจะต้องทําความดีเฮ้ยตอนนี้เราป่วยเออเราต้องทําความดีอย่างงี้นะไม่ใช่มาระลึกได้ตอนที่มีปัญหานากักหนักหนักหนักมากมค่ะซึ่งเราฝึกได้อยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะอันนี้คือตัวช่วยจะทําให้ เมื่อผ่านเหตุการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกโอโหเป็นเป็นอะไรที่เราจะต้องเร่งแก้ไขตัวเองผ่านไปแล้วเราก็เริ่มกลับมาที่เก่าอีกเป็นคน <c oughs> ที่สติไม่ค่อยมีอีก <c oughs> แต่วิธีนี้จะช่วยใช่แล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องใช่มันนี้พรพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในเรื่องของมาาชาไนาสี่ประเภทที่เราได้พูดคุยกันอยู่ บ, บ่อยๆก <c oughs> ็คือพูดถึงการมีสติระลึกได้ว่าเมื่อเห็นคนตายอ่ะคือคนที่เราได้ยินข่าวว่าตายคืออย่างาได้ยินข่าวญี่ปุ่นอย่างเงี้ย เราก็เริ่มมีสติที่จะสร้างขาความดีล่ะเตรียมการละแต่ยังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมก็ใกล้เข้ามาอีกใกล้เข้ามาอีกจนกระทั่งมันถึงหน้าบ้านเราละ่ะอืมค่ะดิฉันเองติดตามการนําเสนอข้อมูลความรู้ให้เรารู้จักน้ําท่วมแล้วก็จะรับมือกับน้ําท่วมอย่างไรทั้งก่อนที่จะท่วมระหว่างท่วมแล้วก็ท่วมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขากำลังคิดดังมากไม่ทราบท่านได้มีโอกาสเห็นไหมคะที่เขาทํา เป็นรูปปลาวานเป็นกระตูนะคะ่ะ oh. แล้วก็ใช้ถ้อยคําที่ย่อยข้อมูลทางวิชาการยากๆเนี่ยมาเป็นอะไรที่ง่ายๆทําทให้เข้าใจง่ายจริงๆเ mm hmm. ขาบอกคนชอบเข้าไปดูเป็นเป็นเป็นเรือนร้านแล้วมั้งคะ mm hmm. ตอนทีนี้เนี่ยคะ่ะตอนที่หนึ่งเขาเลยเรื่องรู้จักน้ําท่วมอืม mm hmm. ว่าให้มีสติถูกไหมใช่ตอนจบเนี่ยมีคําว่าสตินี้พลั้งพลูมาเต็มหมดเลย mm hmm. เต็มจอให้ตั้งสติไว้ก่อน mm hmm. แล้วก็จบตอนที่หนึ่งไปมันสติเดียวที่ท่านพูดอยู่ไหมคะถูกต้องคือความระลึกได้ว่า <c oughs> ระลึกถึงว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรนะคือไม่ไหลไปตามกระแสะน้าไม่ไหลไปตามกระแสข่าวไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบคนนั้นคือคนที่ระลึกได้มีสติอยู่จิตของเราไม่ถูกย้ายไปในดนิดนแดนที่เป็นลบย้ายไปในดนินแดนที่เป็นอกุศรธรรมค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นสติเดียวกันดัง <c oughs> นั้นจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ตลอดเวลาหรือว่าแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลคุณยมติวมันอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นครับสติมีกี่แบบเหรอคะมีแบบเดียวมีแบบเดียว <laughs> จริงรเปล่ววาคะมันไม่มีแบบว่าแบบอ่อนๆแบบ คือใช้ในแต่ละสถานการณ์สติไม่เหมือนกันนะคะมีแบบเดียวแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นกล้ามเนื้อเดียวกันเพียงแต่ว่าสติเนี่ยมันไปอยู่ได้ในทุกทุกทุกสิ่งถ้าไปอยู่ในพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติอยู่ในลมหายใจก็เป็นอนาปานสติอยู่ในตัวเราก็เป็นอุปสมานุสติอยู่ในตัวใครๆก็เป็นได้อยู่ในกายก็เป็นกายคต า, าสติอย่างนี้นะ <รอ S 2> เพราะ ว, าวิธีฝึกสตินี่มีหลายแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสติทั้งหมดเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออันเดียวของจิตเนี่ยเป็นเหมือนกับ กล้ามเนื้อเราอะเราต้องฝึกมันอย่างที่นี่อันนี้เป็นพุทธวจนะรึเปล่าะคะจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะรักษาได้ด้วยสติไงมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเพราะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สตินี่เป็นพุทธวจนะจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติเพราะฉะนั้นจิตต้องมีสติกํากับอยู่ตลอดอยู่ตลอดผ่านไม่ได้เลยแล้วสติตัวนี้นะคุณโยมติ๋วเป็นอันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าเนี่ย หลังจากที่มาพิจารณาแล้วว่าจะสอนธรรมะกับมหาชนเนี่ยแล้วก็มาคิดว่าจะสอนเรื่องอะไรดีะความรู้อันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแบบพระองค์บอกว่าสอนนู่นสติสี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนั่นเพราะมันก็คือสติอันเดียวกันนั่นแหละค่ะ <c oughs> เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวใช่ที <c oughs> นี้สติ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> อ่มันจะพลิกผันได้เป็นทุกอย่างไงในสถานการณรา์บางทีเราอาจจะเห็นในภาพนั้นภาพนี้แต่ทุกอย่างมาจากสติหมดในจิตของเรา คือถ้าอาการที่มีการระลึกได้ไม่ว่าจะเป็นการระลึกได้อย่างไรระลึกได้ด้วยอะไรรือว่าเป็นสติทั้งหมดถูกต้องแล้วก็จะพลิกผันมีชื่อจำกัดเฉพาะไปแต่ว่าประคองหลังไว้ด้วยคำว่าสติใช่คือจิตของเราจะคุมปากจิตของเราจะคุมกายใช่ไหมไอจิตที่ถูกคุมปากคุมกายเนี่ยถูกคุมด้วยสติอีกทีหนึ่งนั่นไงเพราะเราจะพูดดีพูดเรื่องจริงนะจิตคุมอะไรอะไรคุมจิตสติไง อ่แค่สติที่ปลายจมูกนั่นแหละเหมือนกันอ๋ออย่างที่แบบว่าถ้าเราลึกถึงความตายก็ ม, มรณาสติใช่นะจิตสติตัวนี้จะคุมจิตละนะไม่ใช่ว่าคิดเรื่องที่เราจะตายอยู่เรื่อยๆมันคนอ่านกันนะแต่พอมรณานุสติปุ๊บเราจะทำความดีเจอสิ่งโอกาสทำความดีเราจะทำเจอโอกาสทำความชั่วเราจะหนีอ๋ค่ะดีฉันชอบที่ท่านพูดนะค ะ, ะทาให้บางที ก็ได้ได้สติเหมือนกันว่าออย่าไปคิดว่าถ้ามรนาสติจะต้องนึกถึงแต่เรื่องตายใช่ไหมค ะ, ะแต่ว่าความตายมันทําให้เรานึกถึงทําทให้เ ร, เรานึกถึงความดีที่เราจะต้องทําตอนนี้อค่ ะ, ะไม่ใช่บางคนบอกไม่เอาความตายน่าเกลียดไม่ชอบใช่ไม่เลือกมรนาสติแล้วมรนาสติจริงๆที่จะว่าไปเขาก็าพูดถึงกันบ่อยเนี่ยมีประโยชน์มากไหมคะท่านโอ้โหเป็นธรรม ท, ที่เมื่อจเจริญแล้วทําแล้วเนี่ยมีอ น, นิสงส์ใหญ่มีความเป็นอมตะ เป็นที่หวังได้ค่ะมสมมุติว่าเราเป็นคนที่คิดว่าเราคนแบบไหนอะถึงควรจะมีสติในลักษณะนี้มรณาสติกันค่ะเออสติตรงนี้ที่พระเจ้าพูดไว้อนเนกปริยายหลายๆอย่างนะว่าทาตรงนั้นทาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อให้คนทาได้ไงคือถ้าอันไหนมันเวิร์กกับคุณนะคุณทำเลยอ๋อเหมือนกับสมมุตินะคะคนคนหนึ่งแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแล้วก็ ทำท่าว่าจะอยู่นานมากๆแต่ก็สามารถเจริญมรณาสติได้ถ้าเราถนัดอย่างนั้นเหรอคะใช่ถ้าจิตของเราคุมได้ด้วยวิธีการนี้ทําเลยคุณใช้คําว่าจิตของเราคุมได้ด้วยวิธีนี้ใช่รักษาจิตด้วยสติสติตรงไหนเกิดจากอะไรอันไหนได้เอาอันนั้นอ่าสมมุติว่าดิฉันกลัวภัยพิบัติธรรมชาติละ อ, ะอ่างนี้ก็พิจารณ า, าอ่าพิจารณาถึงมรณานุสติก็ได้ค่ะอ่าพิจารณาถึงอนาปาญสติก็ได้ถ้ามันจะเ work พิจารณาถึงพุท ธ, ธานุสติก็ได้ถ้าจะตามห้จิตเรามีสติได้ได้หมดค่ะ<ม>แต่ถ้าสมมติคิดเรื่องตายอย่างเดียวเลยพอโรคแตกมันตายแน่นะค ะ, ะวิธีที่จะไปคิดเอามรณาสติเนี่ยนะคะไปพิจารณาจนกระทั่งถึงทําความดีเนี่ยมันมันไปยังไงกัทั้งคะโอ้ก็คือว่าพอจิตเรามีสติตรงนี้ใช่ไหมที่เกิดจากการเห็นความตายเนี่ยจิตที่ถูกคุมด้วยสติตรงนี้เนี่ยเจอผัสสะไหนไหนเนี่ยมันจะกลายมาเป็นความดีไงเจอผัสสทางตา มันก็จะกลายเป็นวจีสังขารที่ดีออกไปได้มนโนสังขารที่ดีออกไปได้หรือว่ากายสังขารที่ดีออกไปได้ค่ะถึงจะถูก อ, มอืมันก็จะพลิกผันเป็นความดีแล้วตอนที่จะตายเนี่ยมีความดีตรงนี้ช่วยอยู่ปุ๊บเราไปดีเลยโอเค <c oughs> แต่ว่าเวลาหมดพอดีเลยเลค่ะท<ม>่ะการะด่ <c oughs> ฉันแทบจะไม่เหลือเวลาลาท่านเลยนะคะอันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนรรมศิการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะและสําหรับท่านฝั่งที่เคารพเนี่ยนะคะก็คงจะต้อง ลาท่านไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างอื่นเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆขอให้ท่านน้อมนำอภพุทธจะนะไปใช้เถค่ะชีวิตจะพบกับความสวัสดีพุทธสวัสดีค่ะ